ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้ก็ hereby นำมีปัจฉนาญาญเก้ามากล่าวแก่บรรดาท่านผู้ตบริษัทเพราะว่าการพูดถึงเรื่องบารมีสิบชั้นประกอบไปด้วยสังโยชน์ทั้งกับ ป, ประกอบไปด้วยสังโยชน์สเกิดการให้แก่บรรดาท่านผู้ตบริษัทได้รับทราบ เราได้พูดไปว่าการเป็นพระอรหันต์เป็นของไม่ยากเป็นแต่เพียงว่าเราตัดขันห้าให้สิ้นไป <c oughs> เราหมดความเยื่อใยในขันห้าแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกถือว่าเป็นผู้พ้นจากความเป็นผู้ที่จะต้องเกิดต่อไปการสรุปแบบนั้นก็เป็นการสรุปสําหรับ ท่านที่มีอุปนิสัยแบบอกติตันญยูสำหรับท่านที่มีอุปนิสัยแบบวิปติตันญยูย่อบเป็นของยากต้องความวาฟังคำอธิบายจึงจะมีการเข้าใจใช่ที่นี่แนวจเจริญมีปัญญายาหีองค์สมเนตตัวสุนสวัสดิโสภาคสอนเพื่อละกิเลสให้เป็นสมบูชฉตะหาร เล่าวกันแล้วก็มีอยู่ประมาณสองสามในเดีวยวกันและแต่ละในนั่นบรรดาท่านพุทธบริษัตททั้งหลายก็มีอัดอันเดียวกันคือต้องการตัดขันห้าเท่านั้นสําหรับวันนี้จะได้นํามิปัญนายัญก้าวมาพูดคำบรรดาท่านพุทธบริษัท ร, รือบรรดาพระโยคาวิจารทั้งหลาย ในยามเช้าอย่ามนี้เป็นเวลาที่มีอารมณ์สบายเวลาเช้ามืดเป็นการที่บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายจะทําจิตใจของตนให้พน้นจากกิเลสเป็นสมุทเทตระหารเพราะว่าเวลากลางวันก็ดีเวลาหกขําก็ดีเรามีความเหนื่อยอ่อนจากงานงานมาในาระยะตอนเช้ามืดนี้เราพักผ่อนมานานแล้ว <c oughs> ตอนนี้ปยาวะธรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณที่แก้วที่เรียกว่าวิปัสนาญาณเกา้ามาแสดงให้บรรดาท่านพุทธบริษัตได้รับทราบไว้แต่วาการพูดนี้เขาบรรดาท่านพุทธบริัตเป็นหลายเพือทราบมาเป็นการแนะนำหัวข้อเท่านั้น ส่วนจากการที่จะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ขึ้นแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทการที่จะปฏิบัติให้มีปัสนายานมีกำลังก็ขอให้ท่านหลายต้องเข้าสมาธิจิตทำจิตให้เป็นสมาธิให้มีอารมณ์สบายสิก่อนยกพรหมวิหารสี่ขึ้นเป็นเบื่องหน้าแผ่เมตตาไปในทิศทั้งปวง รือว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สนาสมมาสัพธตจารัเหตการที่พระองค์องค์สมเด็จพระบรุม า, า, มม า, า, ามมโลกเกตเจสมมารุอภิเศษสมมาสัโพธิญาณเวลานั้นถึงแม้ว่าพรายามานจะมารอบล้อมทำร้ายพระองค์ก็ดี ปล่อยสามนารียอดหญิงมาประบรมในด้านราคะจริตเขตามลูกสาวยั่วย้าในราคะแต่พ่อมาสร้างความการบันดาลเหตุเกิโทสะไม่คือขึ้นเพราะเหตุเต้นสรายการนี้เป็นปัจจัยมาจากโมหะถ้าเราไปหลงในราคะความสวยสดตัามก็ดี เราเมียลมคข้องอยู่ในโทสะความโกรธความเพียรบ่ายคนดีก็ชื่อว่าเรามีความหลงแปลว่าจิตใจเขาบรรดาพุทธบริษัทปรุงลงเป็นได้แล้วตัดโลภะหรือราคะโลภะความโลภราคะความรักตัวโทสะความหลงได้ก็เจ้าเขาโทษโทสะความโกรธได้ก็ชื่อว่าเราไม่มีความหลง เพราะเหตุแต่งดการหรือสามตามที่กล่าวมานั่นจะมีกันได้เพราะอาศัยความหลงเป็นสำคัญถ้าเราหมดความโลภหรือความรักหมดความโกรธความหลงมันก็ไม่มีความจริงตัวหลงนี้ก็ไม่ต้องตัดถ้าสองตัวมันหมดไปต่อตีนี้ไปเข้าเรื่องของอิปเสนนายันก้าว ยานที่หนึ่งที่เรียกว่าอุทยพยานุปัสนาญาณแปลว่ามีความกำนนงเห็นความดับและความเกิดของร่างกายตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระาคาจ้าวให้พิจารณาดาูร่างกายของเราไม่เกิดขึ้นในเบื้องตน้นแล้วก็มีความดับไปในขั้นสุดท้าย เราคิดออกว่าบัรดาท่านพุทธบริษัทยอย่าไปนึกถึงความตายท่านสุดท้ายมาสิ้นลมปราณเสมอไปเราเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับคือชีวิตในนาทีนี้ปรากฏและนาทีนี้ผ่านไปชีวิตนี้มันก็ดับลมให้ใจเข้าเป็นอันเกิดแต่ลมให้ใจออกถือว่าดับ ถ้าให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกกลมปลานสิ้นไปแล้วก็ตายนี่มันเกิดแล้วมันดับตลอดเวลาแล้วยิ่งไปกว่านั้นความดับมันจะปรากฏชัดคือความเป็นเด็กเล็กๆทาาี่ไม่สามารถจะคลานได้ไม่สามารถจะคึบได้ไม่สามารถจะพูดได้มันจะดับลงไปกลายเป็นเด็กที่เดินได้พูดได้ทำอะไรได้ แล้ต่อมาความเป็นเด็กมันก็เย็นดับไปความเป็นผู้ใหญ่มันก็เย็เกิดขึ้นมาแทนที่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวปรายก็ขึ้นแล้วมีความเปล่งปลั่งร่างกายเต็มไปด้วยกําลังวังชามีสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดทำอะไรได้คร่องแคล่วต่อไปความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เย็นดับ วัยแห่งการกลางความเป็นคนกลางคนมันก็เกิดขึ้นเมื่อวัยแห่งความความเป็นคนกลางคนเกิดขึ้นแล้วต่อมาไม่ช้าวัยแห่งความเป็นคนกลางคนมันค น, คนดับความเป็นคนแก่เกิดขึ้นมีพ่อคนแก่ดับตอนนี้ความเป็นขีมันก็เกิดขึ้นนี่เราพุทธเจ้าให้พิจารณาดูว่า ชีวิตของเราคือร่างกายมันมีความเกิดและความดับเป็นปกติและในที่สุดมมื่อจะดับคือจะลายไปเลยนี่บูทถึงร่างกายที่ต้องกล่าวว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ว่าเราเราไม่มีความประสงค์เป็นอย่างนั้นแต่มันก็จะเป็นของมันท่านนั้นหลายก็ลองคิดดูว่าเราควรจะมัวเมาในร่างกายบ้างหรือไม่ ตอนนี้าทางบัณฑนี้ถา้าบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมองในเห็นคนดูสภาวะของคนตายเป็นสำคัญตอนนี้เป็นมิปเสนายญาณตนหนึ่งเป็นตัวหยักหยาบเรา ก, ก็ต้องมองดูว่าคนที่เกิดแล้มีความตายเป็นที่สุดจริงไหมสัติเกิดมาแล้มีความตายเป็นนที่สุดจริงไหม วัตถุต่างๆที่ปรากฏแล้วมีการสลายตัวไปในที่สุดจริงไหมอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพิจารณาเอาเองกรรมฐานที่เราควรจะใช้ในด้านสมถะภาวนาควบคู่กับวิปัสสนาอย่างข้อนี้ก็คือมรณานุสติกรรมฐานใช้มรณานุสติกรรมฐานควบคู่กันไป แต่ก่อนที่จะคำนึงถึงวิปสัสสนาญาณก็ควรจะทำใจให้มีความสุขเริ่มน่ายเข้าสมาธิจิตก่อนไปจิตไม่มีสมาธิดีแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้ปรากฏเมื่อพิจารณาไปแล้วถ้ายังเห็นไม่พอเธอจิตมายาสายร้งก็ดับความรู้สึกในการพิจารณาเสีย จับมาภาวนาและส่งจิตใ ห, ใ, ห ใ, หให้หยุดในอารมณ์เดิมก่อนให้จิตสบายไปสมาธิทำสลับซ ก, กันไปสลับกันมาเห็นถ้าเรามานั่งนึกกอยู่ว่าถ้าความเกิดมามีแล้วมีความตายเป็นที่สุดในคนที่ก็ตายแล้วเขาแบกอะไรไปได้บ้างเมียแบกผัวผัวแบกเมียพ่อแม่แบกลูกลูกแบกพ่อแบกแม่ หรือคนดังหลายที่มีทรัพย์สมบัติแบกทรัพย์สมบัติไปเมืองขีกันได้ไหมถ้ามันแบกไปไม่ได้เราจะติดตายอยู่อีกบรรดาท่านพุทธบริษัทคําด่าคำํำสนเสริญก็บรรดาคนดังหลายที่ก็แสบแซงเราหรือว่าการสนเสริญที่เขายกยอปอปั้นให้เวลาที่เราตายเราแบกไปได้ไหมถ้าสมเราะการ ถ้าเรามีจิตชั่วเขาส้นเสริญว่าเราเป็นคนดีตายแล้วเราจะไปนกรกขลิศวค์เราจะไปสวรรค์ตามคำเขาส้นเสริญนู่นว่าเราจะไปนรกเพราะเราทำความชั่วเป็นอันเมื่อในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดในเมื่อเราจะตายที่อย่างเดียวเราจะเป็นมวนนั่งนึกคำหนึ่งถึงว่าอีความโลภความโกรธและความรัก ที่ว่าไม่จะมีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันจะมีที่ไหนคําสาปแช่งการประชดประชัน่นแรงหลายที่เขาด่าเราที่เขาเราใช้คําว่าเรานี่มันไม่ถูกความจริงเขาด่ากันให้คือร่างกายก็ร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปยุ่งอะไรกับมันมันจะถูกด่าก็ด่าไปเพราะร่างกายมีสภาพสับสน เราก็ไม่คบมันอยู่แล้วในร่างกายเมื่อใครเขาจะสาบแช่งเขาจะดาเกาสร้างอะไรวัตถุทั้งหลายที่เป็นที่รักที่ชอบใจของเราบรรดาท่านผูธบริษัทมันเกิดแล้วมันก็พังมันต้องสลายตัวถ้าบังเอิญมันจะต้องสลายไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งที่เราไม่สามารถจะยับยังไม่ได้จะสร้างความเส้นอมใดไปเพื่อประโยชน์อะไร นี่เป็นมิปรสนายางข้อที่หนึ่งเป็นมิปรสนายางหยาบเราพอจะจับได้แล้วหรือยังถ้าจับตัวนี้ไม่ได้ก็วนอยู่แค่นี้ก่อนบรรดาท่านทั้งหลา ย, ยาอย่าขยับไปข้ออื่นเอาให้มันช้ำตัดใมเสร็จนั่งอยู่ยืนอยู่นอนอยู่เดินอยู่ทำกิจการงานอยู่ เมื่อไปธุระที่ไหนก็มองคุณมองวัตถุทั้งหลายว่าสภาวะอย่างนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็สียหลายตัวคนที่เดินอยู่ทํางานอยู่นี่เกิดขึ้นมาแล้วทุกคนไม่ใช่ก็ตายหมดพังหมดแล้วทรัพย์สินหล่หลายที่เราเขากําลังทําอยู่นี่มันก็ต้องตกไปเป็นทรัพย์สินเขาบุคคลอื่นต่อไปนี่แนะนําไม่ฟังแบบยอ่ยอยๆเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ใช่บ่อยๆคิดบ่อยๆก็จะเห็นเองนี่ยานที่สองนวิปัสนาญาณเก้าทั้งครักล่าวว่าพังคานุปัสนาญาณแปลว่าปีชากำหนึ่งเห็นความดับสำหรับยานนี้มองความดับอย่างเดียวไม่มองความเกิดยอ่อลงมาเสีย เห็นวัตถุอาคารสถานที่ต่างๆเขาสร้างใหม่เขาคิดว่าไม่ช้ามันก็พังมันมี ม, ม, ม, ม, มีอะไรจีรังย่างยืนเห็นนี่คนเดินสัตว์เดินผ่านหน้าเราก็าคิดว่าพวกนี้ตายหมดแล้วเมื่อเขาตายแล้วเราล่ะตายไหมถ้าตายแล้วเราแบกอะไรไปได้บ้างมีความเกิดมันไม่ดีแบบนี้ความเกิดมันไม่ดีเพราะเกิดแล้วมันก็พัง สร้างขึ้นมาแล้วมันก็พังแต่เกิดแล้วมันก็ต้องสร้างถ้าไม่สร้างก็ไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรอาศัยต้องหาปัจจัยเป็นเครื่องประคับประคองแต่ว่าเปล่าประคองมันเท่าไรก็าตามมันก็สลายตัวมันก็พังไปหมดนี่เราจะมานั่งแสวงหาความเกิดเพื่อหน่าของความรักความโลภความโกรธเพื่อประโยชน์อะไร นี่เราจะเกิดมาเพื่อตายก็เพราะอาศัยความรักอย่างหนึ่งความโลภอย่างหนึ่งและความโกรธอีกอย่างหนึ่ ง, ง, น, งนี่แต่เราทิ้งสามตัวที่ได้มาไรเราก็หมดการเกิดทำไมจึงว่าอย่างนั้นท่านทำไมไม่ถามว่าความหลงทำไมจิงวาจิงจะไม่พูด ที่ไม่พูดก็เพราะว่ามันไม่จําเป็นจะต้องพูดที่เรารักคนดีเราโลภอยากได้คนดีเราโก ค, คนดีมันมาจากความหลงถ้าที่ง่ายการนั่งสามอย่างนี้ได้แล้วตัวหลงมันจะมีมาจากไหนเอาอะไรมันหลงกันอีกในเรื่องเมื่อนำหมดความรักความยืดใหญในะบุคคลในสัตว์ปถุม้นจะร่างกายของเรา นี่ตัดความรักแม้แต่กายคือธาตุสีที่มาเป็นกายของเรานี่แล้วก็ตัดความรักมาเสีตัดความอยากมีอยากเกิดมันเสียตัดความโกรธที่มันเป็นร่างกายที่สับปรับไม่ทรงสภาวะตามความเป็นจริงไม่หยุดนิ่งไม่มีความกระตัญอูไม่รู้คน ที่เราสงเคราะห์มันด้วยบริการทั้งปวงอยากจะกินอะไรก็หาให้หนาวก็หาเครื่องอบอุ่นปกป้องมาให้ร้อนก็หาเครื่องทำความเย็นมาให้มันไม่สบายก็หายามารักษา ร, กร่างกายมันเคยตามใจบ้างหรือเปล่าร่างกายมันรู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันก็เปล่า เมื่อเราไม่ต้องการให้มันป่วยก็จะต้องป่วยเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายเราไม่ต้องการให้มันทุกข์ภภาพและเราต้องการให้ร่างกายแข็งแรงมีความผ่อนสายของผิวพรรณมันก็ไม่เป็นไปตามใจเราเมื่อกาแลสมัยเปลี่ยนแปลงไปเวลาการร่วมไปมันก็เสืส่อมซาวลงไปทุกทีนี่ร่างกายนี้ถ้าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนอักตันโยไม่รู้คุณคน ในเมื่อคนที่ไม่รู้คุณคนเราจะไปคบทำไมคบแล้วก็มีแต่ความร้อนใจข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้แต่ร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็เลิกคบมันเสียคบมันทำไมแต่ตามใจมันทุกอย่างแต่มันไม่เคยตามใจเรา นี่คิดเปรียบเทียบเป็นข้อนี้นี่ปัญญาณตัวที่สองมองเห็นความดับใครเดินผ่านหน้าวัตถุเดินผ่านหน้าห็นว่าพังหมดพู่นี้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีโอกาสที่อยู่คู่กับโลกต่อไปไม่แต่ร่างกายของเราก็พังในร่างกายของเรามันจะพังแล้วเราจะมีอะไรสำหรับความพังต่อไปนั้นเราจะเกิดต่อไปนะี่มันเป็นของดีสิ เอาข้อนี้ก็ทิ้งกันไว้แค่นี้นนึกถึงความตายไปรมณ์ในด้านสมถะภาวนาเอาเป็นตัวยึดเป็นเครื่องประคับประคองนึกถึงความตายไว้เป็นปกติอย่าไปนึกถึงว่าชาวบ้านเขา่ะตายนะนึกถึงเราตายเมื่อเมื่อเราจะตายที่อย่างเดียวแล้วใครนะจะมีประโยชน์สําหรับเรานึกเท่านี้พอนึกขึ้นมาเห็นใช้ปัญญายเป็นเครื่องพิจารณา เ่อวิญญาณใช้สัญญามากเกินไปนี่มายาดีสามพยายามตูปัฐานในยานปีชายกำเน็งเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวมันน่ากลัวตรงไหนและบรรดาท่านพุธทธมรรสคําว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงว่าร่างกายจะไปเอาสังขารในขันห้าเนี่ยมันคุณเรื่อง ทั้งขันในขันห้านันทะเล็มายถึงอารมณ์เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยนชะั้นร่างกายของเรามันเป็นของน่ากลัวกลัวตรงไหนกลัวที่ความไม่แน่นอนของมันติบรรดาถึงพุทธบริษัทมันหลอกหลอนอยู่ตลอดเวลาร่างกายที่เราอาศัยมันก็หลอกเรามันบอกว่าแข็งแรงมันมีสภาพดีมันยังไม่ตายมันยังไม่แก่ ดีไม่ดีตาขาวไปนำข้าวแล้วมันก็ยังหลอกอีกแต่จะพูดไปตามส่วนนี้ว่าร่างกายมันหลอกหรือว่าใจของเรามันหลอกถ้าเย็บพูดไปท้ทีกทีก็คือร่างกายนี่เป็นของน่ากลัวก็เพราะว่าเราอาศัยอยู่กับมันไม่ช้ามันก็พังถ้ามันพังเมื่อไรถ้าเราไม่หาที่พึ่งใหม่มันก็จะไม่มีที่อาศัย กลัวตนที่มันจะพังลบนบรรดาท่านพุทธบริษัทได้ความหลงนี่มันจะไม่ใช่ร่างกายมันแนะนําให้มันหลงเรามันเลวเองร่างกายเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเราไม่ได้พิจารณาร่างกายประกอบไปด้วยความทุกทุกวันเราไม่ได้พิจารณานี่เรามันไดย้ำเองความเลวของเราเอง มีพระพุดธเจ้าแนะนําสอนให้กลัวร่างกายเพราะกลัวที่มันไม่ทรงตัวมันเปลี่ยนแปลงมันทําการสลายตัวหรือว่ามันมีการทุตการทรงอยู่ตลอดเวลามันหาสิ่งที่ปรากฏจริงๆไม่ได้กลัวมันเมื่อกลัวแล้วทํำยังไงคิดว่าชาตินี้เราเกิดมาชาติก่อนๆเพราะเราโง่ เราจึงแสวงหาร่างกายแล้วก็มีร่างกายขึ้นมาได้ในการที่เราจะมีร่างกายขึ้นมาได้เพราะความเมาในร่างกายเรารักในกายพออยากได้กายและใครก็ทําทอะไรกายก็ยึดถือกายเป็นสําคัญโกรธเ้าเนื้อการที่มัวเมาแบบนี้มันจึงเป็นเหตุให้เรามีกาย นี่ต่อจากนี้ไปแต่ว่ากลัวมันแสดงแล้วะจงกลัวต่อไปร่างกายนี้น่ากลัวกลัวความพังของมันกลัวความไม่เที่ยงของมันกลัวความสุปกปลกสมมุ ม, มของมันตอนนี้เอาตรงไหนกันดีและบรรดาท่านุทธบริษัท <c oughs> เอากายยะตานุสติกรรมฐานในสมถะภาวนาและสุเปรกรรมฐานในสมถะภาวนา แล้ก็มรณานุสติกรรมฐานในสัาตะเวนานมาพิจรน า, นารณารวมกันเป็นวิปัญนายานด้วย จ, จะได้ช่วยกันชี้เหตุชี้ผลว่าร่างกายมันน่ากลัวตรงไหนความจริงไม่น่ากลัวอย่างเดียวมันน่าเกลียดเสียด้วย ช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วบรรดาท่านผูตรบริษัทชายหญิงก็จะตัดความรักความโลภความโกรธเสีได้เนี่ยได้มาไม่พูดเรืงความหลงก็ทราบกันอยู่แล้วนี่ถ้าตัดเหตุสามรายการได้ตัวหลงมันก็ไม่เหลือตอนนี้มาวิปัสสนาญาณข้อที่สี่ อาทีนาวานุปสินาญานปีชายกำเนึงเห็นโทษให้เห็นโทษของร่างกายคือขันห้ารูปเวทนาสัญญาข้งขันวิญญาณได้แก่ร่างกายมันมีแต่โทษอย่างเดียวตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเราเคยเห็นมีอะไรเป็นคุณบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทมันไม่มีอะไรเป็นคุณเลยี่ร่างกายของเรา เอามองพิจารณาหาความเป็นคุณก็ไมา่เกิดขึ้นที่พอเกิดขึ้นมาแล้วนับแต่ ว, ต ว, ต ว, วันแรกคลอดออกมาจากคันมารดาแล้วกระทกกบกระทั่งกับอากาศที่แรงกล้าปรากฏว่าเจ็บแสบไปทั้งร่างกายร้องจ้ามีทุกขเวกนาอันนี้มันเป็นคุณและเป็นโทษเจ็บแสบไปทั้งตัว พยาบาลปัจจุบันในแพทย์ปัจจุบันเขามีความเฉลาดเด็กออกจากคันมานดาใหม่ๆรีบระสมรีเข้าไปห่อไว้อุ้มให้ความอบอุ่นดริการอยู่ในครนเขาขมารดาร่างกายไม่เคยกระทบอากาศแล้วความอบอุ่นเดือธาตุไฟจากของมารดามีความสุขนี่มากระทบความเย็นความร้อนเข้าเพราะผิวมันใหม่ประสาทมันใหม่ยังไม่เคยชิน อาการเจ็บแสบเป็นก็ปรากฏจึงเกิดอาการร้องขิงนี่เป็นหมอตำแยชาตสมัยปัจจุบันถ้าหมอตำแยสมัยบบราณยิ่งไปกว่านั้นอีกทั้งเจ็บทั้งแสบร่างกายนี่ยังไม่พอพอออกมาแล้วท่านหมอตำแยก็รีบน้ำเข้ามาล้างมันก็เกิดความหนาวจัดแสบร่างกายเหมือนก็เวลาที่นานหนาวจัดจัด หนาจะจัดจะมีทางผิวกายจะเครียดจะเจ็บไปทั้งตัวแต่ว่านันเราชินกับความหนาวเสร็จแล้วนี่เรายังไม่ชินมันออกไปใหม่นมันเจ็บหนักต่การเจ็บการปวดมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณแล้วออกมาแล้วความหิวปรากฏความหิวนี่มันเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าความหิวว่าการเป็นยังไง ถ้าท่ายังไม่ได้กินอะไรยังหิวอยู่เรามีความสุขหรือความทุกข์ถ้ามันเป็นความทุกข์มันก็เป็นโทษถ้ามันมีเป็นความสุขมันก็เป็นคุณมันก็ไม่ต้องเป็นโทษที่จะตอบปัญหาอื่นไม่ได้ในการปวดอุจจาระปัสสาวะปรากฏอีกถ้าเราไม่ได้ถ่ายอุจจาระไม่ได้ถ่ายปัสสาวะจะมีความรู้สึกเป็นยังไง จะมีความสบายใจหรือว่ามีการเครียดทางใจนี่ถ้ากาลังเป็นเด็กไทยอุจาระมาย่งเคลื่อนตัวไม่ได้ทารจาระปัสสาวะรตัวเองความเหม็นปรากฏประสาทมันยัใหม่มันก็มีอาการกระทุกแรงเหม็นจัดอวัศาสตร์ใหม่หรือว่าใส่เก่าก็ตามที่ตัวนั่งอยู่ในส้วมที่มันมีกลิ่นเหม็นจัด เราจะมีความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษต่อมาความป่วยไข้ไม่สมบายปรากฏมันสมายไม่คนป่วยเอาแล้ว น, นึกเอาเองก็แล้วกันว่ามันเป็นคุณหรือมันเป็นโทษมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ที่ต่อมาความแก่ปรากฏตาเคยดีหูเคยดีตาก็มองไม่เคยเห็น ผมก็ฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่มีอาการแข็งแรงกับเปรี้ยวปลยีลงไปเพราะความเท่าชราเข้ามาถึงทำอะไรไม่พอจะไหวต้องอาศัยคนอื่นการยืมหมอกจะหมูกคนอื่นก็หายใจมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ <c oughs> ต่อมาความแพ้พลาดของรักของชอบใจปรากฏเพราะสายกายเป็นต้นเหตุ ถ้าไม่มีกายมันก็ไม่มีของอย่างนี้สิ่งที่เรารักจากไปคัดพราจากกันไปมันเป็นสุขถ้ามันเป็นทุกข์เอาละสรุปกันง่ายว่าความตายปรากฏถูกเขาด่าเขาว่าก่อนเขานินทาเขาให้ร้ายมันเป็นสุขถ้ามันเป็นทุกข์ในที่สุดเมื่อความตายจะเข้ามาถึงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นทุกข์มันก็เป็นโทษ ถ้ามันเป็นสุขมันก็เป็นคุณอันนี้ก็ขอให้โยคาวาจรทั้งหลายเรามาพิจรารณากันเองก็แล้วกันมองดูว่าร่างกายมันเป็นโทษหรือมันเป็นคุณมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ถ้าจะไปนั่งแนะนําบอกคนเป็นโทษจ้าแบบนี้อยู่เสมอแล้วก็ก็อย่าพากันคิดว่า น, นี่เราไม่ได้ใช้ความคิดของเราเลยเนี่ย <c oughs> มเมื่อนั่งแนะนำให้เชื่อกอยู่ตลอดเวลานี่มันจะมีประโยชน์อะไรและขอบันดาประโยชน์คาวจรทางหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์สัมมาสัพพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่พระองค์สอนพระองค์ก็ไม่เคยบอกป่าจงเชืเ่อเถิดที่กระถาคตพูดนี้ มีแต่องค์สมเด็จไปชินาสีบรมศารรสนาสุนทตัตวเมื่อเราจัดไปแล้วพูดไปแล้วจงยาเพิ่งเชื่อ <c oughs> ตั้งนี้เพราะ อ, อะไรเพราะว่าถ้าเชื่อก่อนไปอั น, นี้อธิมโมกข์ศรัทธาจัดว่าเป็นควายโมกข์เราไม่สันเส ร, ริญเมื่อท่านหลายฟังแล้วจงใช้ปัญญาพิจรนารณาดูก่อนถ้าวาจาที่เรากล่าวไปนี้มันเป็นคุณ เธอจริงเชื่อเมะ่อ ว, วาจาที่เรากล่าวนี้มันเป็นโทษหรือไม่เป็นความจริงตามที่เรากล่าวเธอตรงอย่าเชื่อ <c oughs> นี่เราพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาไปเราก็หันไปดูบา ร, รมีสด้วย <c oughs> ช่วยบา ร, รมีทั้งสิบราการเข้ามาประคับประคองใจให้ใจมีกำลัง บันดาท่านพุทธบริษัทใช้บารมีทั้งสิบประการระคับประคองอยู่ตลอดวันการเจรเิญวิพัฒนายาญมันก็ไม่เกินเจ็ดวันเราก็เป็นพระอาหารหันได้นี่เพูดกันตามความจริงของนักปฏิบัติทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันเร็วเกินไปไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าท่านบอกว่าเร็วอาตมาก็จะบอกว่าช้าเกินไป หากว่าท่านหลายมีบารมีทั้งสิบระกายครบท้นเป็นปรมัตธรรมด้มีเพียงแค่ใช้เวลาที่จะามาพูดนี้ฟังแล้วก็ได้สาเร็จการหัตถผลเป็นเวลาประมาณใกล้ครึ่งชั่วโมงแค่นี้ก็ยังถือว่าช้าเกินไปที่เรายังจะทากันไม่ได้แม้แต่ชาโลกีถ้าจะไปพูดกันบอกว่ามีบารมีแล้วก็มันหนักใจนัก <c oughs> ในความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าก็ทรงเห็นจะทรงรับรองว่าคนที่สนใจในด้านสมถะภาวนาโดยปัศนาภาวนาต้องมีบรารมีอาแต่มาเห็นว่าคนไม่มีบรารมีเกิดมาเป็นคนไม่ได้แต่ว่าท่านหลายจะรู้จักใช้บรารมีให้เป็นประโยชน์หรือไม่นั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าบรารมีนี้องค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสนากล่าวว่าเป็นกำลังใจอรบันดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายเวลาที่จะพูดก็หมดเส็ยแล้วสําสำหรับนิปัสน า, านญาณตอนนี้ก็ขอยุติว่าแตเพียงเท่านีก้ก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปุณผล จงมีแดดบรรดาทา่านผู้เทศาสนิเกชนผู้รับฟังทุกขั้นสวัสดี